มันตามมาอยากได้ข้าวเหนียวก็โยนข้าวเหนียวให้มันคำหนึ่งมันก็งับมันยังไม่ทันเคี้ยวต่อมายวนไปอีกเพี้ยออีกคกกำหนึ่งอีกก้อนหนึ่งปรากฏว่ามันทายก้อนเก่าแล้วมันไปคาบก้อนใหม่มาทางหน้าที่ก็ก้อนก็เท่ากันนะแต่ทําไมมันทิ้งก้อนเก่า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 แล้วเมื่อสละแล้วหรือบริจาคแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้มาคือความสุขนะพระพุทธเจ้าตัด ว, ว่าผู้ให้ความสุขยอมได้รับความสุขนะเมื่อเราสละเมื่อเราให้ทานไม่ใช่แค่ผู้รับเท่านั้นที่มีความสุขผู้ให้ก็มีความสุขด้วยการให้ทานเนี่ยนะ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 เ็าไม่ได้ใช้เสพใช้เที่ยวหรือว่าเอาเข้าตัวเลยเป็นเงินที่ใช้เพื่อสละออกไปแต่เ็ามีความสุขกว่านะอันนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ไม่ต้องเป็นคนนับถือศาสนา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 ไปช่วยเหลือคนที่ลำบากปพราว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนเลยความเบื่อความเซง็งความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวหรือว่าความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายมันหมดไปมีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งแกเป็นเป็นกอีชาชีวิตแกลำบากแรนแค่ตั้งแต่เล็ก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 ตั้งแต่เล็กพอโตขึ้นมาก็ก็ให้ทำงานนะเป็นเกย์ชาชีวิตก็เรียกว่าลำบากมาตั้งแต่เล็กพอเป็นเกย์ชาก็ไม่ได้มาสะดวกสบายนะถูกกดถูกขี่ถูกเหยียดหยามตอนหลังก็น้องชายตาย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 กลับไปเป็นเกชาเหมือนเดิมแต่ว่าทุกวันแกก็จะไปช่วยคนสักคนนึงก็เลือกเอาเด็กที่ยากจนที่เคยมีชีวิตแลนแคดเหมือนแกซื้อหนังสือให้คนญี่ปุ่นนี่เขารักการศึกษามากนะอันเด็กยากจนก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แกก็ซื้อหนังสือให้ตอนหลังไม่ในซื้อเฉยสอนให้อ่านออกเขียนได้ด้วย แล้วปกติว่าแกก็ไม่คิดกลับไปค่าตัวตายกันเลยเพราะว่าแกรู้สึกว่าชีวิตแกมีคุณค่ามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากอันนี้ก็เป็นที่มาของของหนังเรื่อง Diary of กอิชาเพราะว่าแกเขียนเป็นบันทึกประวัติแกส่วนตัวแกแล้วฝรั่งก็เอาไปทำเป็นหนัง เป็นเขียนเป็นนิยายแล้วก็ทําเป็นหนังเมื่อสักเกือบสิบปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนที่มีความสุขเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่นนะไม่ใช่แค่ให้ทานหรือว่าสละเงินทองนะแต่ว่าสละแรงกายในเมืองไทยมีหลายคนนะมีนักศึกษาบางคนที่เขาเบื่อเป็นเด็กกำพร้ารู้สึกว่าไม่มีใครรักเลย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 แล้วก็เปลี่ยนไปเลยเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าชีวิตผมเนี่ยชีวิผมเปลี่ยนได้เพราะเด็ก7ขวบเด็ก7ขวบคือเด็กที่เรียกพ่อพ่อนะที่เห็นเขาแล้วก็ดีใจก็ช่วยชื่อตเขามีคุณค่ามีความหมายรู้สึกว่าได้รับความรักจากการที่ให้ความรักเด็กเด็กก็ให้ความรักกับเขานี่เป็นเรื่องของการ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 การสละความโกรธหรือการให้อภัยเนี่ยก็เป็นวิธีแห่งความสุขอย่างหนึ่งนะโดยนิพุสเจ้าเนี่ยถึงสอนให้รู้จักแผ่เมตตาแล้วก็ให้อภัยเวียนย่อมไม่ละงับด้วยการจองเวียนอันนี้ก็เป็นพุทธพธิที่ตัดไม่นานแล้วก็เป็นการสละอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งสาคัญมากที่ช่วยให้เรามีความสุขมีความสงบเย็น หลายคนเนี่ยถือกติว่าบุญคุณต้องตอบแทนความแค้นต้องชำระแก้แค้นยี่สิบปีก็ไม่สายอ น, นี้ก็เป็นความคิดที่ว่ามันต้องเก็บเอาไว้นะไม่เห็นว่าการสละออกไปเนี่ยมันทำให้ใจสงบอย่างไรบ้างนะแล้วคนที่ไม่รู้จักสละความโกรธหรือความเกลียดเนี่ยนะชีวิตจะจะมันก็ตกนรกนะเพราะว่า จิตใจก็รุมร้อนเรียกว่าอยู่ร้อนนอนทุกข์ร่างกายก็แย่ความดันขึ้นหน้าดำคร่ำเคร่งนั้นเพียงแค่เรารู้จักสละออไปนะไม่ใช่สละเฉพาะสิ่งที่เราชอบหรือห่วงเช่นเงินทองข้าวของแต่สละสิ่งที่มันเป็นอกุศลก็สำคัญนั้นเมตตาภาวนา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 ทำให้คนเราทุกข์มากรวมทั้งความโลภความอยากได้ถ้าเราสลาออกไปนะมันก็จะช่วยให้ใจเราสงบเย็นการเจริญสติการทำสมาธิภาวนาเนี่ยมันเป็นวิธีช่วยให้เราสละหรือว่าสลัดอารมณ์ที่รบกวนจิตใจได้ดีมาก แล้วมันถ้าให้มีความสุขนะยิ่งกว่าการที่ได้เสพได้บริโภคนะในพุทธกาลนี่มีเรื่องราวของคนจำนวมนมอยเลยที่เคยมีชีวิตที่ฟู่ฟ่ารู้ลา่ร่ำรวยนะมีสิ่งเสพสิ่งบริโภคนะแต่ว่าก็หาความสุขไม่ได้จนกระทั่งเมื่อได้ละวิถีชีวิต แบบนั้นมาอยู่แบบเรียบง่ายสมถะมาทำสมาธิภาวนาเนี่ยกับพบความสุขอย่างราชาองค์หนึ่งเนี่ยชื่อพัทิยะเนมาบวชก็เพราะว่าไม่ได้ศรัทธาเลยเลยนะแต่ว่าเป็นพระญาติพระพุทธเจ้าทางาสกุลสักยะก็อยากจะให้คนในวงตระกูลได้ไปบวชกับพระพุทธเจ้า พาาพิยานี้ก็ก็ไปเพราะว่าเพื่อนชวนแต่ว่าเมื่อได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยก็พวกความสุขวันหนึ่งเนี่ยท่านก็ลำพึงขึ้นมาว่าสุขหนอสุขหนอมีเพื่อนพระมาเห็นมาได้ยินก็สงสัยว่าพระพธิธานี้กำลังคิดถึงอดีตสมัยที่เป็น กษัตริย์เป็นราชาก็เลยไปทูลพระเจ้าว่าสงสัยพระพระ พ, พ, ระพััิญานีคิดจะศึกแล้วมั้งพระเจ้ารู้นะภูมิธรรมของพระพัทนะิญาว่าที่จริงท่านเป็นพระอรหันต์แล้ ว, วก็เลยเรียกมาคุยก็ซักถามเพื่อให้พระด้วยกันได้รับรู้พระพัทิยาตอบว่าเนี่ยที่ว่าสุกหนอสุกหนอเนี่ยนะไม่ใช่ลำพึงถึง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 แต่ขั้นมามีชีวิตนะเป็นสัมมณะถือครองบริขารแค่8ดชิ้นอยู่ด้วยบินทบาทวัลละมื้อนะไม่น่าจะสุขได้นะเพราะว่าไม่มีสิ่งเสพเลยแต่มีความสุขเพราะอะไรเพราะได้สละนะได้ได้วางให้ความยึดติดถือมั่นเรียกว่าท่านสละกิเลสได้หมดละ ก็เลยมีความสุขเป็นสุขที่เที่ยวไม่ได้กับตอนที่เป็นพระราชานะันนี้คืเป็นตัวอย่างคนทีนะ่พบความสุขไม่ใช่เพราะการมีการได้นะแต่เพราะการสละนะและสิ่งที่สําคัญคือกสละความยึดติดถือมั่นอย่างที่เราได้ส่วมดมนต์เมื่อสักครู่เนี่ยนะเรื่องอาภารสุตตะ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 เวลาร่างกายนะเริ่มแก่ชารามีผมหงอกฟันฟางเริ่มหลุดจิวหนังเหี่ยวย่นทุกข์ล ะ, ะหรือบางทีมีเป็นแค่แค่มีสิวนะก็ทุกข์ละทั้งที่มันไม่ได้ทําให้เจ็บปวดอะไรเลยที่พ่อไปแบกนะไปแบกบ ไ, แบบไปยึดในร่างกายนี้ว่าเป็นราเป็นของเราหรือไปยึดให้มันเที่ยงให้การสลัด สิ่งเหล่านี้ออกไปจากใจเรียกว่าปล่อยวางนะเป็ น, ป น, ปนที่มาแห่งความสุขอย่างแท้จริงนะการศาสตร์อย่างสิ้นเชิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัญหาวิชาหรือกิเลสเนี่ยทำให้เกิดความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่เรียกว่าความสงบนะสงบเจ็นนะอีกชื่อหนึ่งว่านิพพาน นิพพามาถึงการหมายถึงความสุขเบญนที่เกิดจากการที่ได้สละออกไปนั่นจะเห็นได้ว่าวิธีชาวโลกกับวิธีทางธรรมเนี่ยมันต่างกันตรงข้ามกันกเลยก็ว่าได้ในเรื่องความสุขวิธีชาวโลกนี่ต้องมีเยอะๆต้องได้มากๆแล้วต้องได้เรื่อยๆถึงจะมีความสุขแต่ว่าในทางธรรมแล้วเนี่ยการสละออกไป เริ่มจากสละสิ่งที่เป็นของนอกตัวคือวัตถุสิ่งของแล้วก็สละสิ่งที่อยู่ในใจก็คือกิเลสนะความยึดติดถือมั่นสิ่งนี้แหละเนี่ยจะเป็นที่มาขอางความสุขอย่างแท้จริงลองทําความเข้าใจกับเรื่องนี้ให้ดีนะแล้วก็ลองถามตัวเราเองว่าไอ้ความสุขที่เรามีเนี่ยมันเป็นความสุขที่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 แต่ถ้ามีโดยไม่ยึดอันนี้ก็เป็นสุขได้นะอย่างพระสิวลีเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ที่เต็มไปด้วยลาบน ะ, นะเดี๋ยวนี้คนไทยเรานิยมเคารพสักาากร า, ากระพระสิวลีมากท่านเป็นพระอรหันต์ที่เป็นเอตทัคคะด้านการมีลาบไปที่ไหนก็มีคนถวายของประณีตให้ ไม่ว่าจะคนธรรมดาหรือว่าเทวดามารพุ่มถาวายพระตัวใจยังสู้ไม่ได้เลยเวลาไปเวลาจาริกไปในที่ไหนเนี่ยถ้าเกิดทางแยกสองทางนีมีทางหนึ่งทางแยกหนึ่งเนี่ยเป็นทางไกลแต่ว่ามีคนอาศัยอยู่อีกทางหนึ่งเนี่ยเป็นทางลัดแต่ว่าไม่มีคนอาศัยอยู่ พี่เจ้าถามว่าพระเซววลีมาด้วยหรือเปล่าพอรู้พระเซววลีมาด้วยพี่เจ้าตัดสินใจไปทางสายสายที่รัดแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีคนอาศัยอยู่หรือเปล่าเพราะว่าสายนั้นนี่นอกจากจะไปถึงเร็วแล้วยังมีคนมาถวายถวายลากนะอาหารของประนีตลอดทางเลยอันนี้เพราะ อนุภาพกับพระสิวรีซึ่งพระเจ้าเองนี่ก็ทุ่สู้ไม่ได้นะแต่ว่าพระสิุรีนี่ท่านมีลาบเยอะยริงแต่ท่านท่านไม่ยึดนั้นท่านสละท่านปล่อยวางอนุตสาสานาก็ไม่ปฏิเสธนะการป ฏ, ปฏิเสธเรื่องลาบนะแต่ว่าต้องไม่ยึดต้องรู้จักสละออกไปยิงสละเท่าไหร่ทั้งด้วยอาการกริยาแล้วก็ด้วยข้างในใจคือไม่ยึดติดถือมัน่น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 ความยึดติดถือมั่นทั้งตัวออกไปแล้วเราก็จะพบกับความ ส, มสงบเย็นเบาสบายาแล้วก็คำนี้ก็พูดกัเท่านนี้ออกกบครับ